27. ตอนข้ามพพข้ามชาติไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้นอกจากบารมีวงเล็บเปิด2 8กุมภาพันสอจุดจุดนาที 53. วงเล็บปิดเวลาที่จิตของเราเข้าถึงธรรมสุดขีดแล้วนี่มันจะรู้สึกถอดใจเลยว่ามันยากเหลือเกินที่จะพูดให้คนอื่นฟังได้ยังใครเลยจะนึกได้ว่าจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ในความเป็นจริงคือตัวทุกข์ไม่มีใครนึกออกหรอก ใครจะรู้ว่าร่างกายนี้ทุกล้นล้วนไม่ใช่ทุกบ้างสุขบ้างใครจะรู้ว่าจิตนี้ทุกล้นล้วนไม่ใช่ทุกบ้างสุขบ้างใครจะรู้ว่านอกจากความทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุก์ไม่มีอะไรดับไปยากสุดขีดเลยนะยากจริงๆพอใจเข้าถึงทำตรงนี้ปุ๊บนะถอดใจเลย หันไปมองเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายนะตัวใครตัวมันดีกว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรแต่เสร็จแล้วเมื่อผ่านช่วงนี้ไปช่วงหนึ่งนะใจมันจะนึกขึ้นได้ว่าทาไมเราผ่านมาได้เราผ่านมาได้คนอื่นก็ผ่านได้เหมือนกันทาไมจะวิเศษอยู่คนเดียวก็ค่อยๆมาทบทวนว่าทำไมเราถึงผ่านมาได้ที่ผ่านมาได้ก็เพราะเราคอยรู้กายรู้ใจตัวเองขั้นแรกสุดถือศีลไว้ก่อนเราต้องมีศีล ต่อมาเราก็มาฝึกใจของเราให้สงบให้ตั้งมัน่นอย่าฟุ้งซ่านมากต่อมาเราก็มาคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองบ่อยๆทางเดินมันก็คือการฝึกศีลสมาธิปัญญานั่นเองฝึกไปเรื่อยเดินไปตามทางนี้นะมันก็ไปถึงจนได้แหละช้าบ้างเร็วบ้างแล้วแต่อินทรีย์แก่อ่อนความการุณามันจะเกิดขึ้นในใจจะทวนทีแรกไม่ไหวนะรู้สึกเหลือวิสัยจริงๆ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 การปฏิบัติจะบีบวงเข้ามาหาจิตอันเดียวเลยเสร็จแล้วจู่ๆนะจิตมันจะพลิกตัวจากตัวที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะกลายเป็นตัวทุกข์ล้วนๆทุกตัวนี้ไม่เหมือนทุกขเวทนาอย่างเรานั่งแล้วเมื่อยขยับก็หายหรือจิตใจของเราเคยฟุ้งซ่านเคยมีความทุกข์ขึ้นมาเราพุดโธพุทโทรหรือกําหนดลมหายใจก็หายแต่อันนี้ทําอย่างไรก็ไม่หายเพราะความทุกข์กับจิตเป็นตัวเดียวกันคิดยังไงก็คิดไม่ออกเลย ตัวจิตเป็นตัวทุกข์ตัวนี้เรียกขันธมารตัวขันนั่นแหละคือตัวมารความรู้สึกมันทุ ก, กข์มากขึ้นมากขึ้นเหมือนความตายมารอยอยู่ตรงหน้าแล้วถ้าไม่ถอยออกจากการปฏิบัติตอนนี้หรือเรียกว่าถอยออกจากรัตนบรรลังที่มารมาไล่บอกให้ลุกซะบรรลังนี้เป็นของมารให้พระพุทธเจ้าลุกซะถ้าไม่ถอยออกมานเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดจากนั้นไม่บ้าก็ตายจิตจะระเบิดตายแล้วมันจะเห็นเลยว่าใจมันจะเกิดความคิดขึ้นมาว่า ในเครื่องหมายคำพูดถอยดีกว่านนะานี่เรียกว่าอภิสังคารมานใจบางทีก็เกิดความท้อแท้นะว่าสู้จนหมดสติปัญญาไม่มีทางสู้แล้วนี่เรียกว่ากิเลสมานมันบั่นทอนจิตใจท้อแท้สุดขีดส่วนตัวจิตเองนะเรียกว่าเทวปุตตมานคือจิตที่กลับกลอกจะคอยบอกให้ถอยเถอะมานห้าตัวนี้นะพยายามจะไล่เราให้ถอยจิตออกมาจากนาทีที่จะแตกหักกัน พยายามไล่ตลอดเวลาเลยนะถ้ายัางทนต่อไปไม่บ้าก็ตายมีอยู่แค่นี้เองถึงตรงนี้สิ่งที่เราศึกษาอบรมมาตลอดยาวนานในสังสารวัฏจะมาช่วยเราตัวนี้เรียกว่าบารมีไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งของเราได้นอกจากบารมีนะเพราะฉะนั้นต้องสร้างบารมีไปดูเอาเองนะบารมีสิบอย่างเช่นทานบารมีคือเรากล้าไหมที่จะสละชีวิตตัวเองเพื่อธรรมะครั้งนี้ กล้าไหมที่จะตายก็ตายมันจะรู้สึกว่าตายฟรีหรือเปล่าจิตเราจะมีความเป็นปกติไหมหรือจะกระเพื่อมหวั่นไหวขึ้นมานี่คือตัวศีลบารมีเราจะมีขันติไหมเราจะทนต่อความทุกข์ที่แสนสาหัสโดยไม่ถอยจนตายได้ไหมเรามีอธิษฐานบารมีมีความตั้งใจมั่นไหมว่าครั้งนี้สู้ตายแล้วนะหนีมาตลอดตกเป็นทาสมาตลอดแต่ครั้งนี้ไม่ถอยแล้วนะมีสัจจะไหม มีความจริงใจที่จะปฏิบัติตามรู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นได้ไหมมีเนกขมมะบารมีกล้าสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการภาวนาต่อไปนี้อาจจะบ้าก็ได้นะสมมุติว่ารอดตายมาได้ก็บ้าเลยมันจะรู้สึกอย่างนี้แหละมีปัญญาที่จะรู้สภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงไหมนี่คือปัญญาบารมี บารมีทั้งหลายนี้แหละเอามาใช้ในนาทีวิกฤตนี้เองไม่มีใครช่วยเราได้เลยนะพ่อแม่พี่น้องหนีหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะเทวดาอินพรม้มอะไรหนีหมดเลยเมื่อมานึกๆดึดูมันคล้ายคในพระไตรปิฎกนะที่ว่ามารผจญแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ตามลาพังไม่มีใครช่วยเลยเทวดาก็หนีไปหมดท่านก็สู้ด้วยบารมีนั่นเองเอาบารมีมาเป็นที่ตั้งยอมสละตายก็ตายไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ได้อะไรเลย ไม่ตายแล้วอยู่แบบบ้าๆไปก็ช่างมันยังไงก็ได้นะคือหมดความรักในกายหมดความรักในใจอย่างแท้จริงพอหมดความรักในกายในใจอย่างแท้จริงมันสลัดทิ้งเลยนะมันปล่อยวางกายปล่อยวางใจทิ้งเลยกายนั้นมันปล่อยไปก่อนแล้วมันจะปล่อยใจออกไปพอปล่อยลงไปเหมือนกับโลกกระเทือนแต่ที่จริงใจเรากระเทือนใจเราหลุดออกจากเปลือกที่ห่อหุ้มอยู่ ใจหลุดออกจากอาสวะกิเลส ท, ที่ห่อหุ้มอยู่เป็นอิสระขึ้นมากระจายตัวออกเต็มโลกธาตุใจใหญ่ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีที่ตั้งไม่มีประมาณมีความสุขแทรกอยู่ทุกๆอนูเต็มโลกธาตุเลยสัมผัสที่แรกนะน้ําตาร่วงเลยว่าอย่างนี้ก็มีด้วยหรือธรรมะอย่างนี้มีด้วยหรือมันรู้สึกอย่างนี้นะมีด้วยหรือธรรมะอันนี้มันเป็นธรรมะที่ฝากเป็นฝากตายได้อย่างแท้จริงเลยไม่มีอะไรกระเทือนเข้าถึงมันได้อีกต่อไปแล้ว เพราะฉะนั้นการภาวนานะไม่ใช่แค่ว่าหัดรู้กายหัดรู้ใจลูกเดียวนะบารมีอื่นๆก็ต้องสร้างนะศีลต้องรักษานะคนไม่มีศีลข้ามพพข้ามชาติไม่ได้ต้องกล้าเสียสละนะต้องสู้จริงๆเลยต้องมีสัจจะสัจจะกับตัวเองก็ต้องมีต้องมีอธิษฐานบารมีตั้งใจในสิ่งที่ดีแล้วต้องทาให้ได้ลาบากแค่ไหนก็ต้องทาต้องฝึกทั้งสิ้นเลยสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นบารมีสิบอย่างนะต้องสร้างต้องทำจะเอาแต่ปัญญาบารมีอย่างเดียวไม่ได้นะมีแต่ปัญญาไม่มีศีลมันจะเป็นปัญญาของโจรมีปัญญาไม่มีสมาธิก็ไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงเป็นความฟุ้งซ่านดังนั้นเราต้องพัฒนานะสำรวจตัวเองไปเรื่อยๆมีสติมีปัญญาสำรวจตัวเองอย่างเป็นกลางที่แท้จริงเลยอย่าลำเอียงนะอย่าเข้าข้างตัวเองอะไรที่มันเลวๆอยู่ในตัวเองดูมันเข้าไปรู้มันไปเรื่อย วันหนึ่งถึงจะสู้กับมันได้งานข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่งานเล่นๆ น, นะเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่สภาความมั่นคงงานซีเรียสนะมาเทียบกับงานปฏิบัตินะง่ายกว่ากันเยอะเลยอย่างเราทำงานอย่างนั้นยังมีเป็นทีมใช่ั้ยช่วยกันได้นี่ตัวคนเดียวเลยต้องสู้นะต้องสู้เอาต้องค่อยๆพัฒนาคุณงามความดีแต่ละด้านแต่ละด้านไม่ดูถูกมันบางคนดูถูกการทาทานการถือศีลพูดโกหก โกหกเล็ ก, ล ก, ลกๆน้อยๆไม่เป็นไรใครสั่งใครสอนว่าโกหกเล็ ก, ลกๆน้อยๆไม่เป็นไรต้องค่อยๆฝึกนะเราเติบโตขึ้นทุกๆวันรวมกําลังเอาไว้นั่นเองเอาไว้ใช้นาทีสุดท้ายที่จะข้ามพบข้ามชาตินั่นแหละตอนธรรมะเบื้องต้นนะง่ายนะไม่ถึงขั้นจะเป็นจะตายหรอกธรรมะเบื้องต้นดูๆไปเข้าใจขึ้นมาสบายสิอีกหลุดออกไปเฉยๆเลยจะข้ามพบข้ามชาติคล้ายๆคนจะคลอดนะแม่ถ้าไม่ตายซะก่อนลูกคงออกมาได้ ดังนั้นเวลาหลุดพ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสซึ่งเป็นเครื่องห่อหุ้มจิตไว้ย้อมจิตไว้เป็นเนื้อเดียวกับจิตย้อมตั้งแต่ข้างในสุดจนข้างนอกสุดยังเป็นเปลือกหุ้มจิตไว้อีกจะต้องสํารอกอาสวะออกให้หมดหลุดจากอาสวะได้เพราะไม่ถือมั่นในรูปธรรมนามธรรมาในกายในใจ ไม่ถือมั่นในกายในใจได้เพราะมีปัญญาเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งว่ากายนี้ใจนี้คือทุกข์ล้วนไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างจะมีปัญญาเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะตั้งมั่นอย่างแท้จริงเลยแล้วดูโดยไม่แจกแสงไม่ใช่จงใจดูสติต้องเกิดขึ้นเองสติระลึกขึ้นเองโดยไม่ได้จงใจขณะที่รู้จิตมีสัมมาสมาธิ ไม่ถลำลงไปในการรู้สักว่ารู้สักว่าเห็นรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงรู้แล้วดูทุกอย่างตามที่เขาเป็นเพื่อให้เกิดปัญญาทําซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่อย่างนี้แหละนะสะสมทุกๆวันนะศีล ส, สมาธิปัญญาค่อยๆถูกอบรมแก่กล้าขึ้นทุกๆ ท, กทีถึงวันหนึ่งมันต้องไปสู้ตายกันนะถึงจุดนั้นมันจะรู้สึกว่าจะถอยหรือไม่ถอยดีถ้าถอยนะจะตกเป็นทาตของมันนี้ต่อไปแต่ก็มีชีวิตยังมีความสุขมากกว่าคนทั้งโลกแล้ว มีความรู้สึกว่าถ้าถอยก็จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินะมีความสุขกว่าคนทั้งโลกถ้าสู้ต่อไปโอกาสรอดนี่ไม่เห็นเลยมันถึงจุดนี้นะถึงหลังชนกำแพงเลยไม่มีโอกาสรอดเลยมีแต่หนีหรือไม่ก็ตายถ้ารอดตายแล้วยังสู้อยู่ก็บ้าไม่มีทางเลือกเลยดังนั้นต้องแกร่งจริงๆนะต้องฝึกอย่าดูถูกกุศลทั้งหลายศีล ส, สมาธิปัญญาสำคัญหมดเลยต้องสู้ตายจริงๆเลยกว่าจะพ้นทุกคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ใช่ง่ายนะ คนในโลกมีหลายพันล้านคนคนที่มาภาวนาจริงๆมีสักกี่คนภาวนาจนจิตตื่นขึ้นมามีสักกี่พันเหลือระดับพันแล้วนะที่จิตตื่นขึ้นมาได้ที่จะเข้าถึงมรรคถึงผลจริงๆมีเป็นระดับร้อยเท่านั้นเองดังนั้นต้องสู้นะต้องสู้